ขยายความพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สาภิกขุนีวิพังหนึ่งปาราชิกันว่าด้วยอาบัติปาราชิกแปดสิกขาบทปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งห้ามกำนัดยินดีการจับต้องของบุรุษมีเรื่องเล่าว่านางภิกษุณีชื่อสุนทรีนันทามีความกำนัดยินดีการจับต้องกาย แห่งล้านชายของนางวิสาขาผู้มีนามว่าสาลหะความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทความว่านางภิกษุณีมีความกำหนัดยินดีการลูบ ก, การคลำการจับการต้องการบีบของชายผู้มีความกำหนัดเบื้องบนตั้งแต่ใต้รากขวานลงไปหรือใต้หายปาราหรือหลุมคอ เบื้องต่ำตั้งแต่เท้าขึ้นมาต้องอาบัติปาราชิกปาราชิกสิกขาบทที่สองห้ามปกปิดอาบัติปาราชิกของนางภิกษุอื่นนางทุลละนันธาภิกษุณีรู้ว่านางสุนทรีนันธาภิกษุณีมีคันกับสาระหามานบก็ไม่โจดทวงบอกกล่าวนางสุนทรีนันธาปกปิดการมีคันของตน จนคันแก่จึงสึกไปคลอดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทความว่านางภิกษุณีรู้ว่านางภิกษุณีอื่นต้องอาบัติปาราชิกไม่โจดด้วยตนเองไม่บอกแก่หมู่คณะต้องอาบัติปาราชิกปาราชิกสิกขาบทที่สามห้ามเข้าพวกภิกษุที่สงขับจากหมู่ นางถุลนันนันธาภิกษุณีประพฤติตามภิกษุชื่ออริ t h ผู้ประพฤติไม่ดีสงจึงสวดประกาศยกเสียจากหมู่คือไม่ให้ร่วมกินร่วมนอนหมายเหตุภิกษุหรือภิกษุณีที่ไม่เห็นอาบัติไม่ทำคืนอาบัติจะต้องถูกลงโทษที่เรียกว่าอุเคปณียกรรมคือการประกาศไม่ให้ร่วมกินร่วมนอนไม่ให้เข้าหมู่ เมื่อประพฤติดีแล้วจึงถอนประกาศนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทความว่านางภิกษุณีประพฤติตามภิกษุที่ทรงสวดประกาศยกเสียจากหมู่เป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อไม่ทำคืนไม่ทำตนให้เป็นสหายกับพระธรรมพระวินัยคำสอนของพระาศาสดานางภิกษุณีนั้นอันสงพึงตักเตือนเมื่อไม่เชื่อฟัง จึงสวดประกาศตักเตือนชี้แจงถ้าสวดประกาศครบสามครั้งยังไม่ละเลิกต้องอาบัติปาราชิกปาราชิกสิกขาบทที่สห้ามเกี่ยวข้องนัดหมายเป็นต้นกับบุรุษนางภิกษุณีที่เป็นคณะเดียวกับหรูปประพฤตตนไม่สมควรมียินดีการจับมือบ้าง การจับชายสังคติบ้างของบุรุษยืนกับบุรุษบ้างพูดจากับเขาบ้างนัดหมายกับเขาบ้างยินดีการมาตามนัดหมายของเขาบ้างเข้าไปสู่ที่มุงด้วยกันบ้างทอดกายให้เขาเพื่อเสด็จอสสธรรมบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปา ร, ราชิกแก่นางภิกษุณีผู้ประพฤติเช่นนั้น หมายเหตุาราชิกอีกสี่ข้อคือตั้งแต่ข้อหถึงข้อ8อนุโลมหรือเหมือนตามของภิกษุ